นมสัสการณ์ในความเมตตาพระอาจารย์ครับมีคําถามจากคุณทีนะครับคือคุณทีเนี่ยดูแลบิดามันดาซึ่งอายุมากแล้วนะครับก็เกือบร้อยปีและขณะนีะ้บิดากําลังอยู่ใน ICU อยากจะกล่าวส้มสักการถามพระอาจารย์ว่าจะมีการวางใจยังไงที่จะต้องพัดภาคจากบุคคลที่เรารักเออคืออย่างนี้นะว่าโดยเฉพาะความเป็นพ่อเป็นลูกท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อ นี่นะกิจกิจตรงนี้เลี้ยงท่านตอบแล้วก็ทำกิจของท่านดํารงวงตรงกูลทำตนให้เหมาะสมโดยเฉพาะก็คือว่าคำว่ากตัญญูที่ได้กล่าวไปแล้วกตัญญูคือรู้คุณของพ่อแล้วก็รู้คุณของบุญกตาวทีก็คือตอบแทนคุณของบิดามารดาแล้วก็ตอบแทนคุณของกุศลยอมทีต้องนึกว่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ย สองส่วนส่วนหนึ่งมาเกิดเป็นลูกของพ่อนั้นกุศลเกี่ยวพันกัน เ, ออเราเกิดเป็นลูกเนี่ยฉะนั้นพ่อจึงมีบุญคุณเขาเรียกว่าพ่อเนี้ยเป็นผู้ทําทํากุศลให้ก่อนหรือว่าถ้าพูดก็คือว่าท่านาท่านเลี้ยงเรามาดูก็ท่านเลี้ยงเรามาแล้วแปลว่า สิ่งต่างๆทั้งหลายถ้าพูดถึงในลักษณะก็คือว่าในชั้นของการว่าท่านปล่อยกู้ท่านปล่อยเงินเหมือนว่ามีเงินแล้วก็ให้กู้แต่เราเป็นผู้หยิบยืมตอนนี้เราอยู่ในฐานะ่งการใช้คืนท่านใช้คืนท่านในทำนองอย่างนั้นทีนี้กรณีแห่งการที่บอกว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทากิจของท่านดารงวงตระกูลเนี่ยทตให้เหมาะสมเป็นต้นเหล่านี้ เกี่ยวกับในเรื่องของการที่เราจะตอบแทนคุณของพ่อและแม่ก็คือตอบแทนคุณของบุญอย่าลืมนะว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือรู้คุณของบิดามารดาแล้วก็รู้คุณของบุญการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นดังที่ได้กล่าวในช่วงเช้าว่ามาจากศีลหามาจากการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจอ้อไม่มีไม่ดื่มสซดาเมลไ ม, ม, มไ่มาจากกายสุจริศสามวจีสุจริศสีมโนสุจริศส การได้เกิดเป็นมนุษย์น่ามาจากกุศลตัวนี้แล้วการมาเกิดได้เป็นไม่ได้เป็นลูกพ่อก็อนยะจากเดียวกันเมื่อเรารู้อย่างนี้ว่าเหตุของการมาเป็นมนุษย์น่ามาจากบุญโดยเฉพาะว่าตอนนี้เราการตอบแทนเนี่ยมันต้องตอบแทนสองส่วน1ตอบแทนคุณของพ่อตอบแทนคุณของบุญการตอบแทนคืออย่างไรในปัจจุบันก็คือการประพฤติดีไนงะ การเจริญในทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลที่ครว่าทั้งหลายพึงกระทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างต่อเนื่องก็คือการให้ด้วยศรัทธาการให้ด้วยนอบน้อมการให้แบบถูกกาลถูกเวลาการให้โดยอนุเคราะห์คือการสละขาดการให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นการให้เนืองนิดขณะให้จิตก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกับยานปัญญาใช่ไหมตรงนี้ต่างหาก ที่เราได้ตอบแทนคุณของพ่อและตอบแทนคุณของบุญได้ชัดเจนเพราะเป็นคนดีทีนี้ในขณะที่ท่านอยู่ในห้อง ICU เนี่ยต้องต้องนึกยังไงหนึ่งก็คือว่าในช่วงนี้อยากจะทำอะไรให้พ่อในวาระท้ายสุดของชีวิตท่านเนี่ยต้องทำเสียต้องรีบทำเช่น มีการเจริญกุศลใดๆก็แล้วแต่ให้พ่อได้รับรู้ตลอดถ้าท่านยังพอรับรู้ได้ต้องบอกตลอดต้องบอกท่านว่าพ่อผมได้เจริญกุศลอย่างนี้นะกุศลทุกอย่างที่ทําให้พ่อรับรู้และโมทนาะแล้วก็ต้องคอยเอาใจใส่ดูแลท่านตลอดถ้าเราไม่สามารถทําได้ก็ให้ใครสักคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติมิตรซึ่งมีข้อมูลในคําสอนของพระพาทธเจ้าพอสมควรเนี่ยนะ จะต้องคอยสังเกตเพื่อจะเปลี่ยนนิมิตท่านให้ได้คําว่าเปลี่ยนนิมิตก็หมายความว่าถ้าท่านไปยึดนิมิตที่ไม่ดีเข้าไว้รูปที่ดีญาติที่ดีทั้งหลายต้องเปลี่ยนเหมือนพระเถระรูปหนึงึงว่าเอาพ่อไปบวชซึ่งพ่อทําเป็นนายพันมาก่อนอย่างเงี้ยนะพอใกล้จะตายเสร็จก็ไปยึดเอานิมิตที่ไม่ดีท่านก็ถือดอกไม้นะีหาดอกไม้ใส่ที่มือแล้วก็หามเตียง ยกเตียงไป พ, อไป พ, พอปอ่อไปที่พระเจดีให้พ่อไปนมมือให้นอไปที่พระเจดีเปลี่ยนนิมิตลายทั้งหลายให้เอานิมิตของพระเจดีหรือนิมิตเขาสรูปหรือว่าพระธรรมของพระเจ้าทั้งหลายเป็นนิมิตนี่เขาเรียกเปลี่ยนนิมิตของพ่อให้ได้เพราะคนใกล้ตายเนี่ยสภาพจิตจะอ่อนแอใช่ไหม สภาพจิตสภาพร่างกายก็อ่อนแอถ้าอะไรมาปรากฏตอนนั้นท่านก็จะยึดอานิมิตนั้นแล้วก็เป็นเหตุนําเกิดเลยในภพถัดไปเลยฉะนั้นตรงนี้ต่างหากสิ่งที่ควรจะต้องช่วยสําหรับเราที่ยังมีสติสมบชัญญาดีกว่าผู้ป่วยทั้งหลายเนี่ยไปเปลี่ยนนิมิตร้ายของท่านให้เป็นนิมิต ด, ดีให้ได้ที่เกี่ยวกับพระราตนาตรายัยตรงนี้แหละจะเป็นเครื่องยึดยองที่เป็นการช่วยท่านในวาระสุดท้ายได้ ทีนี้ถ้าถามบอกว่าด้านจิตใจเราล่ะที่เราจะต้องสูญเสียขนาดใหญ่อย่างนี้เราจะวางใจยังไงก็ต้องให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่า 1. การเป็นคนเนี่ยต้องภูมิใจอย่างหนึ่งที่ได้รู้ความจริงของชีวิตอย่าไปเศร้าซ้อยเช่นดีใจมากที่ได้รู้ว่าการเกิดแล้วก็มีการแก่แล้วก็มีการเจ็บแล้วก็มีการตาย แล้วก็มีความโศกความล้ำลายลํำพันแล้วก็มีการพล ah ัดพา ก, กจากของลาของชอบใจทั้งหลายการได้รู้จากความจริงของชีวิตเนี่ยแล้ววางใจตั้งท่าทีต่อสิ่งนั้นได้เป็ น, นต้องภูมิใจ <distraction> ซึ่งแต่ก่อนเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราได้สูญเสียจริงๆเนี่ยโอ้โดีแล้วที่เราเรียนรู้จกความจริงของชีวิตว่ามันมีลาบเป็นอย่างนี้มันเสื่อมลาบเป็นอย่างนี้นินทาเป็นอย่างนี้แล้วก็สารเสรินเป็นอย่างนี้ สุขเป็นอย่างนี้ทุกเป็นอย่างนี้การอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้การพลัดพากจากของรักของชอบใจเป็นอย่างนี้นี้มันคือความจริงของชีวิตที่ภาษาสดาบอกว่ามันธรรมดาไงเนี่ยคือธรรมดาของชีวิตซึ่งมันจะต้องเจอทุกชีวิตเมื่อได้รู้ความจริงอย่างนี้ว่าภาษาสดาเนี่ยบอกว่าตรัสคาใดไว้เนี่ยเที่ยงแท้ไม่แปลผันเป็นอย่างอื่น พระเจ้าบอกว่าชีวิตมีการพัดภาคเป็นธรรมดาการนี้การแห่งการพัดภาคก็ใกล้จะมาถึงแล้วเห็นไหมว่าพระศ า, าสดาเตือนมาตั้งนานแล้วแต่การนี้ก็มาถึงจริงๆฉะนั้นพอมาเข้าใจชีวิตอย่างนี้ท่านในมุมมองคำสอนท่านบอกว่าให้ภูมิใจว่าเราได้เข้าใจความจริงข้อนี้และตั้งท่าทีต่อสิ่งนั้นได้ถูกคาว่าภูมิใจก็คือว่า1ไม่ใช่หยุดแค่ภูมิใจ ตั้งท่าทีแล้วไม่ประมาทว่าเห็นใครทั้งหลายนึกเลยว่านี้เราจะต้องพัดภาคทุกคนเราต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปและเรามีกรรมทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมเท่านั้นอกุศลกรรมก็คอยเบียดเบียนกระแสชีวิตในการต่อไปกุศลกรรมก็คอยส่งเสริมกระแสชีวิตในการต่อไปเรามีสุจริตกรรมและทุจริตกรรมเท่านั้นเป็นทรัพย์สมบัติติดตามไป ถ้ามองอย่างนี้ก็ชัดเจนเนี่